นั้นคําว่าอาหารก็เป็นชื่อของปัจจัยเพราะฉะนั้นอาหารเหมือนกับในอวิชชาสูตรเนี่ยประสงค์เอาว่าอาหารในที่นี้นะคําว่าปัจจัยก็คืออาหารแบบอวิชชาสูตรกับตันหาสูตรเนี่ยนะอย่างอวินิวร์เป็นปัจจัยแก่อวิชชาหรืออวิชชาเนี่ยมีนิวร์เป็นอาหารเนี่ยนะอวิชามันเคี้ยวนิวร์เลยใช่ไหมมันเป็นปัจจัยยังไงมันสัมปยุตตาปัจจัยเป็นต้นนะนะอุปนิสัยปัจจัย ครั้งถือเอาอาหารคือปัจจัยแม้นี้อาหารทั้งโดยอ้อมและอาหารทั้งโดยตรงปริยายในโดยอ้อมนิ่ปริยายโดยตรงก็เป็นอันถือเอาทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จเลยนะว่าสังขารทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยปั จ, จัยเนี่ยคลุมจักราวาลหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วเพราะฉะนั้นในคําว่าปัจยาอาหารย่อมได้ในอสัญญีภพอันไหนะอสัญญิภพเนี่ยนะพรหมนี้ก็มีปัจยาาหารจริงอยู่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้น พวกที่บวชเป็นเดรัจีทําบริกรรมในวายโยกสินยังจตุทชาญให้เกิดขึ้นออกจากฌานนั้นแล้วก็เห็นว่าจิตนี้เป็นของหน้าติเตียนมากความไม่มีจิตเสียเลยเป็นการดีโอ้ยความคิดนี่มันวุ่นวายที่สุดเลยนะเรื่องมากกว่าพอมีจิตนี่แหละก็ดูคนหลับเลยไม่เห็นมีเรื่องอะไรเงียบสนิทเลยนะเออถ้าดับจิตได้คงหมดปัญหานะถ้าทุกคนนั่งหลับกันหมดเลยนะไม่มีปัญหาแม้แต่เรื่องเดียวนะ ถ้าหมดจิตหมดอะไรไปเลยนะอจิตนี่มันวุ่นวายจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตนี่ดีเยี่ยมเพราะทุกมีการฆ่าและการจองจําเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะอาศัยจิตนั่นแหละเมื่อไม่มีจิตทุกนั้นก็ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเกิดความยินดีพอใจพอใจที่จะไม่มีจิตเบื่อชาเบื่อจิตมากอันนี้ต้องได้ชานสีก่อนนะค่อยเบื่อจิตอย่างเงี้ยชานไม่เสื่อมทํากาละแล้วก็ไปเกิดในอาศันยีภพ ผู้ใดตั้งอยู่ในอิริยาบถใดในมนุษย์ผู้นั้นก็ย่อมเกิดด้วยอิริยาบถนั้นสถิตอยู่ห้าร้อยมหากรัพบนะะโอโเป็นรูปปั้นได้นานมากเลยนะนานกว่ายักษ์วัดโพอีกยักษ์วัดโพไม่ได้ตรงอยู่500ห้าร้อยกับขนาดนี้อะไรก็กลับกับมหากรับกันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันก็อันเดียวกันนะั่นแหละเอาไงต่างกนต่างต่างยังไงอะโปรดที่แดง น, น, นะนะ อ๋อมันใหญ่ก็บางคนนะนะบางคนที่บวชเรียนแล้วเป็นพระมหาบางทีเขาก็เรียกพระเฉยๆก็มีเขาไม่เรียกมหานำหน้าทุกครั้งหรอกก็คร่งขัดมากเลยนะเอ้าเอ้ับห้าร้อยกับก็แล้วกันมันไม่ต่างกันหรอกนั่นนะคือกลับตรงนี้นะกลับตรงนี้ก็คือมหากลับกลับเนี่ยมีหลายประเภทนะมันมีสังวัตถายีกับอนะอ่าวิวัตถายีกับสังวัตตะกับวิวัตกับ เป็นต้นเนี่ยแล้วก็อันตรกับแล้วก็มหากับไอ้พวกตรงนี้มันลักษณะเป็นมหากับมันไม่ใช่อันตรกับมันไม่ใช่สังวัตกับวิวัตกับเนี่ยมันคนละอย่างอันนี้หมายถึงมหากับอย่างเดียวเนี่ยนะมันหมายว่ามีอายุห้าร้อยมหากับเพราะศัพว่ากับเนี่ยนะมีเยอะเหมือนถ้าใครที่ว่าตายตอนนอนเนี่ยนะพวกที่ได้ฌานเนี่ยตอนนอนเนี่ยเหมือนนอนรูปก็เหมือนกับโอ้อยู่ที่นั่นเนี่ยนอนห้าร้อยกับ นั่งก็นั่งห้าร้อยกับยืนก็ห้าร้อยขอให้ตายด้วยออริยาบทใดก็เกิดในภพใหม่ก็อยู่ด้วยอิริยาบทนั้นนั่นแหละก็ปัจจัยาหารย่อมได้แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นคือดารงอยู่ด้วยปัจจัยเนี่นะเพราะสัตว์เหล่านั้นเจริญชาดใดแล้วเกิดชาด น, นั้นก็เป็นปัจจัยแก่ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนลูกศรนให้กําลังแห่งสายธนูมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ เพราะสัตว์เหล่านั้นเจริญฌานใดแล้วย่อมเกิดฌานนั้นก็เป็นปัจจัยแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนลูกศรที่ยิงไปด้วยกําลังแห่งสายธนูกําลังสายธนูมีกําลังเพียงใดก็ไปได้เพียงนั้นฉันใดกําลังฌานปัจจัยเนี่ยนะมีประมาณเพียงใดก็สถิตอยู่ได้เพียงนั้นฉันนั้นเมื่อกําลังฌานปัจจัยสิ้นแล้วสัตว์เหล่านั้นก็จุติดดุดลูกศรที่มีกําลังสิ้นแล้วฉะนั้น น, นะนะเหมือนกับถ้าเปรียบแบบเราเก็ว่าวที่มันอยู่ด้วยกําลังแห่งลมใช่ไหมพอหมดลมตกเลยชั้นใดพวกที่ดํารงอยู่ด้วยชานเหล่านี้ก็เหมือนกันก็มีอายุแค่ห้าร้อยมหากรัปถ้าเทียบกับสังสารวัตที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะวัฏตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็แค่ห้าร้อยมหากรัปเองนะไม่นานเท่าไหร่<อ>ก็บอกว่าพวกที่ละลึกชาติได้เนี่ยนะส่วนใหญ่ท่ามาจากอสัญญาัตว์ จุติจากอสัญญาศาสตร์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทำฌานระลึกชาติได้นะพวกนี้ไม่สามารถระลึกเกินห้าร้อยมหากรัปได้พอระลึกไม่ได้พวกนี้จะเกิดอาทิตย์จะสมุปปนะทิฐิเกิดนิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเกิดลอยๆก่อนหน้านี้ไม่มีขึ้นแล้วมามีขึ้นเนี่ยนะถ้าถ้าพวกเดรธีนะจะเป็นอย่างนี้ขึ้นพวกนี้ถือว่ารับที่เกิดลอยๆเรืออาทิย์จะสมุ ป, ปันะทิฐิถ้าระลึกไม่เกินห้าร้อยกัปได้นะ ถ้าเพิ่งมาจากอสัญญาสัตว์มาเกิดเนี่ยคนนี้ระลึกชาติเลยเมา น, นั้นไม่ได้มีพระเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นเอตะทะคัคฆะในการระลึกชาติคือระลุระลึกทะลุห้าร้อยกับอะทะลุอสัญญาสัตว์เนี่ยมันนานขนาดนั้นะนะระลึกได้ก็เลยเป็นเลิศในเรื่องการระลึกชาติยกตัวอย่างอีกว่าส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นผู้เกิดในนรกสัตว์เหล่านั้นท่านก็กล่าวว่าไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความเพียร น, นรกเนี่ยไม่ต้องประกอบอาชีพก็อยู่ได้ใช่ไหม ไม่ต้องมีอาชีพก็อยู่ได้อยู่ได้นานมากเลยนะไม่ต้องมีประโยค่าอะไร <S <S แล้วก็ไม่เป็นผู้มีชีวิตอยู่ด้วยผลบุญนะนะบุญไม่เลี้ยงก็อยู่ได้ไม่เห็นง้อบุญเลยนะอยู่ในนรกไม่ต้องง้อบุญสักอย่าง <S <S ทีนี้ถามว่าอะไรเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นก็บอกกรรมนั่นแลเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นคนถามก็ถามซอกแซกมากก็บอกว่าอาหารมีห้าอย่างแล้วไงนะก็บอกว่าไม่เพิ่งกล่าวว่ามีอาหารห้าหรือไม่ใช่ห้า เพราะว่าวาทะคือคําว่าปัจจัยเป็นอาหารท่านกล่าวไว้ไว้ไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นเกิดในนรกด้วยกรรมใดกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยของสัตว์เหล่านั้นเพราะเป็นปัจจัยแห่งการดํารงอยู่กรรมเนี่หล่อเลี้ยงให้ดํารงอยู่นั่นแหละถูกตัดคอแล้วคอมันงอกขึ้นมาใหม่ไงบัวโผล่ขึ้นมาอีกอยู่ต่อนะนโอชีวิตอมาตะเนี่ยในนรกนะใชรจะฆ่าใครจะแกงใครจะยังไงอยู่ได้ตลอดนะ เอาภูเขามาบดกลิ้งแบนตะแต่แล้วมาแล้วฟื้นขึ้นไปต่ออีกเพราะอายุยืนมากเลยนะไม่ยอมให้ตายง่ายๆอายุอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละที่กล่าวว่าสัตว์นรกยังไม่ทํากาละตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นก็ดูนะในทูตสูตรในเทวทูตสูตรนะทูตะสูตรอีกที่หนึ่งเทวทูตสูตรอีกที่หนึ่งอย่างในทูตะสูตรนิติกานิบาตเทวทูตสูตรนีิอุปริปันนาต แล้วก็ในภาระบัณฑิตสูตรในจูลนิเทศในชาดกทั้งหลายเนี่ยเนมิราชชาดกสังกิจจะชาดกไปอ่านใครชอบท่องเที่ยวในนรกนะเผื่อว่าไปแล้วจะได้ทําใจถูกหรือจะได้กลัวก็จะได้ไม่ต้องไปนะถ้าไม่กลัวก็จะได้รู้ว่าจะต้องไปรับอะไรบ้างนะก็อดีตชาอ่นะคือดํารงอยู่ด้วยมโนสังเจตนาหานในอดีต หมายถึงว่ากรรมในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยให้ต้องทนอยู่ในนรกก็ตัวกรรมในอดีตเนี่ยนะอาคุศลเจตนาที่ทําให้ร่วงกรรมบทเป็นต้นอาคุศลเจตนาเหล่านั้นนะเป็นปัจจัยคือเป็นอาหารของต้องทนอยู่ในนรกเนี่ยนะก็กรรมในอดีตเนี่ยเป็นอาหารใครจะรู้ว่าขณะที่อาคุศลเกิดเนี่ยขณะเนียกำลังบริกาลังทาอาหารอยู่นะถ้าทาอาุศลก็เป็นอาหารแห่ง ทุกข้างหน้าใช่ถ้าทำกุศลอยู่ก็เป็นอาหารแห่งสุขข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะเพราะชีวิตทั้งหลายก็ดำรงอยู่ด้วยอาหารโดยเฉพาะกรร ม, มชฉรูปนะเน้นไปที่กรรมเรูปเพราะฉะนั้นคำว่าอาหารริตติกามีอาหารเป็นที่ตั้งจึงมีความว่ามีปัจจัยเป็นที่ตั้งนะกรร ม, มชฉรูปก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยใช่ไหมจิตชฉรูปก็ดารงอยู่ด้วยจิต เช่นนะั้นอย่างของเราเนี่ยคอตรงๆนะลองจิตตะเชรูปไม่ทํางานสิมันพับได้นะมันเอียงข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้มนะันมันก็คอมันตั้งตั้งอยู่เนี่ยดารงอยู่ด้วยจิตเนี่ยจิตตะชรูปอาศัยอาหารเนี่ยนะทำให้ดํารงอยู่ด้วยก็คํานี้ว่าเพราะปราลบกับพลิงกระาหารไม่พึงทําการกล่าวให้แตกต่างกันไปเพราะว่าถึงแม้น้าลายที่เกิดในปาก ก็ให้สําเร็จกิจเป็นอาหารแก่สัตว์เหล่านั้นได้จริงอยู่น้ําลายก็เป็นปัจจัยแก่พวกสัตว์เกิดในนรกซึ่งสเสวยทุกขเวทนาและแก่พวกเกิดในสวรรค์ซึ่งสเสวยสุขเวทนาเพราะฉะนั้นถามว่าสัตว์นรกกินอาหารตอนไหนบอกขณะกลืนน้าลายนั่นแหละก็ได้เท่านั้นน่ะนะไม่คิดอะไรมากอย่างตอนคาราว่าอดอาหารทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็ได้กลืนน้าลายตัวเองนั่นแหละก็เป็นอาหารนั่นละถ้ากล่าวอาหารแนวนี้นะก็คือ ถ้าทางแพทย์เขาถือว่าอน้ําในร่างกายเนี่ยมันเวียนไปเรื่อยใช่ไหมมันเวียนไปเรื่อยน้ําคัดหลังเนี่ยมันก็ไหลจากสักพักหนึ่งก็อยู่ที่ตาอีกพักหนึ่งก็ไหลไปอยู่ที่ปากเป็นน้ําลายอีกพักหนึ่งก็ไหลไปอยู่ใน tamam. น้ําเลือบดบ้างเดี๋ยวก็ไหลไปที่ ป, ปอดบ้างไหลไปที่ไหลไปทั่วสารพางกายนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอีกพักหนึ่งก็ไหลไปร่วมกับอุจระอีกพักหนึ่งก็ดูดซับขึ้นมาอยู่ที่น้ําตาอย่างนี้ก็โอ้โหหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะประหยัดมากเลยนะเชื่อ แต่ถ้ามันหนักนะสาหัสจริงๆมันก็จะปล่อยไปที่ไตให้ไปปัสสาวะทิ้งซะแต่ถ้ายังพอใช้ได้นะจะโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวก็พักหนึ่งก็ไหลอยู่ในลำไส้บ้างไหลอยู่ที่เลือดบ้างที่น้ำตาบ้างน้ำลายบ้างนะบางทีก็ซึมออกมาบ้างนะแต่ก็แต่นับว่าประหยัดมากก็บอกว่าในการมาพบมีอาหารสีโดยตรงในในการมาพบนะเช่นในเดรฉ า, านกับในมนุษย์เนี่ยเห็นธาตุเนี่ยดำรงอยู่ด้วยอาหารตรงตรง ในรูปประพบและอรูปประพบเว้นอาศัญยสัตตาภพนั้นก็มีอาหารสามรประพรมเนี่ยดำรงอยู่ด้วยรูปประพรมนะภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารอารูปประพรมก็ภาษาอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารการมปพบอาหารสี่ใช่ัหมอ า, ญญาศัญยสัตตาภพและภพนอกนี้คือนรกเป็นต้นเนี่ยนะดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอาหารคือกรรม เพราะเหตุนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีอาหารเป็นที่ตั้งด้วยอาหารดังกล่าวมานี้อันนี้เป็นการทำปริญญายาตะปริญญาแบบพิเคราะห์ทุกภพเลยนะเพราะว่าสังขารทุกอย่างในสามภพกาลมภพรูปภพอรมูภพเนี่ยดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนันคำว่าสัพเทสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นตุกขลาที่ฐานธรรมเทศนา เรียกว่าแสดงธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งอธิบายว่าอันนั้นถ้าแปลโดยอัฐาก็หมายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงจริงอยู่เทศ น, น, นะนะคำว่าศัสตร์ในที่นี้หมายถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวงอันสังขารทั้งหลายทั้งปวงในที่ทุกแห่งดํารงอยู่ด้วยดํารงอยู่ด้วยปัจจัยหรืออาหารทุกอย่างนั้นดำรงอยู่ด้วยปัจจัยหมดเลยถ้าสิ่งนั้นนั้นสิ้นปัจจัยอยู่ได้ไหมไม่ได้อันะรถก็วิ่งด้วย ปัใจจัยใช่ไหมสังขารทั้งหลายทุกชนิดก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยถ้าขาดปัดจจัยล่ะอย่างเช่นพวกอุตุชรูปนะอุตุบางอย่างเสียหายไปก็อยู่ไม่ได้แล น, นะเด็กในท้องนี่ก็มีกับพลิงกระหานก็คืออาหารที่รับจากรกของแม่นะ อ, อรับจากรกนะคืออาหารที่จากแม่ไปกับพลิงกระหานก็สายสะดือนะผ่านอาหารผ่านสายสะดือไปก็กินอาหารของแม่นั่นแหละ นะเอ่ยตัวน้ําคร่ําไม่ใช่ตรงอาหารตรงๆอาหารตรัวตรงๆเนี่ยได้มาจากสายสายเสือือนะที่เป็นรกมาจากรคเนี่ยนะน้ำคร่ํานี่มันเป็นน้ําแบบในอ่างเอาไว้เลี้ยงอยู่นะก็กินบ้างก็พอสมควรนะในนี้ก็มีอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ได้อยู่แล้วค่ะก็ที่คุณเจ้าแสดงก็ถูกต้องแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าอาหารที่ทารกรับเข้าไปก็คือรับจากรก โดยผ่านสายสะดือส่วนน้ำคัํนนั้นเนี่ยในการวิจัยยุคหลังเนี่ยเขาก็พบว่ามีการรับเข้าไปในช่วงใกล้ๆที่จะคลอดแต่จะาค่ะรับเข้าไปเล็กน้อยเพราะฉะนั้น เขาก็เลยค้นพบว่าน้ำคัาบเน่จะค่อยๆลดลงแล้วก็เป็นสาเหตุของการทำให้มีขี้เผาในท้องอใ น, นพอเด็กทารกออกมาใช่ค่ะเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยสารอาหารที่รับเข้าไปเป็นสารอาหารที่ได้รับการย่อยเรียบร้อยไม่มีสารที่จะเป็นกากใดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็กลับไปบริโภคใหม่นะก็ยางกว่าไม่เคยทานมาก่อนนี้นั่นนะทีนี้มาพูดถึง พระพุทธเจ้าเนี่ยนะกล่าวถึงวิธีการแสดงธรรมของพระองค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมีอยู่สี่ประการด้วยกันเรียกว่าธรรมมาทิฏฐานธรรมเทศนาธรรมมาทิฏฐานปุคละเทศนาปุคลาทิฏฐานปุคละเทศนาและป th ุคลาทิฏฐานธรรมเทศนาคําว่าธรรมมาทิฏฐานธรรมเทศนาเนี่ยเป็นการแสดงธรรมโดยยกธรรมเป็นที่ตั้ง ธรรมมาทิฏฐานปุคละเทศนาหมายถึงว่าบุคคลเทศนาโดยยกธรรมะเป็นที่ตั้งปุคลาทิฏฐานปุคละเทศนาหมายถึงแสดงบุคคลโดยยกทมบุคคลเป็นที่ตั้งปุคลาทิฏฐานธรรมเทศนาหมายถึงการแสดงทำโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งอย่างข้อแรกเลยนะว่าธรมมาทิฏฐานธรรมเทศนาหมายถึงการแสดงทำถ้าแปลตามเขาแปลจากข้างหลังก่อนนะธรรมเทศนา ก็คือการแสดงธรรมธรรมมาที่ฐานการยกธรรมเป็นที่ตั้งอย่างเช่นที่พระองค์สอนว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานเหมือนจิตดูความพิสูจนทั้งหลายจิตที่อบรมแล้วย่อมควรแก่การงานอันนี้เรียกว่าเป็นการแสดงธรรมเพราะมีแต่สภาวะธรรมใช่ไหมไม่มีบุคคลเลยเป็นการแสดงธรรม โดยที่ยกธรรมคือจิตเป็นที่ตั้งเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมแบบมีธรรมเป็นที่ตั้งก็คือกล่าวถึงจิตเนี่ยแหละไม่เล็งเห็นธรรมะธรรมะคือสภาวะอื่นเนี่ยนะที่ไปอบรมเจริญแล้วเนี่ยควรแก่การงานเหมือนจิตอะไรเอาเอ า, เอารูปไปอบรมแล้วมันจะอ่อนเหมือนจิตเอามนะันจะควรเหมือนจิตไหมเอารูปไปฝึกแต่สมัยใหม่ก็ถ้าสายสายอื่นๆที่ไม่ใช่ทางธรรมะนะก็ฝึก ฝึกรูปใช่ไหมนักกีฬาทั้งหลายก็เน้นไปฝึกรูปแต่ถ้าทางธรรมะเนี่ยถือไม่ได้อยู่ที่การฝึกจิตเป็นหลักอันนัถ้าไม่มีอะไรที่จะควรแก่การงานเหมือนการเหมือนจิตที่ฝึกแล้วอย่างพระองค์เนี่ยฝึกจิตเสร็จแล้วใช่ไหมจึงแสดงย ม, มะกะปาติหานได้อันนั้นก็ด้วยอนุภาพของการฝึกจิตเพราะฉะนั้นการฝึกในบรรดาสิ่งที่ถูกฝึกแล้วประเสริฐที่สุดคือการฝึกจิตอันนี้เป็นการแสดงธรรมโดยยกธรรมะเป็นที่ตั้ง